จเจริญพรท่านสาธุชนพูท้ทบทยสัตวอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกๆด้านวันนี้เป็นวันสุขที่27บีนาคมพุทธศักราช2558เป็นวันพระวันธรรมนัสวนะวันฝังธรรมเป็นวันสร้างที่พึ่งทางใจ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งของใจได้นอกจากาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันพระจึงเป็นวันที่เราเข้าห า, าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเพื่อที่จะได้สร้างสารณะที่พึ่งทางใจที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่เราจะต้องประสบพบกันไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะดับความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความแก่ได้ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ที่เกิดจากความตายได้ที่เกิดจากการพลดพลาดจากกันได้นอกจากพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นต่อให้มีลาบยศสรรเสริญมีความสุดทางตาหูจมูกทินน้นกายมากมายเพียงไรก็ตามก็จะไม่สามารถ ที่จะมากำจัดความทุกข์ภายในใจของเราได้แต่ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราเราจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้ถึงแม้ว่าเราจะยากจนเราจะไม่มีลาบยศสรรเสริญเราจะไม่มีความเสศ ท, ทางตางหูจมูกลิ่งกายแต่เราจะไม่เดือดร้อน กับเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราในภายภาคหน้าาะพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติมาแล้วท่้ได้สร้างที่พึ่งทางใจมาแล้วท่านจึงนำเอาม า, ม า, มาเผยแป่สั่งสอนให้พวกเราได้ศึกษาและได้นำเอาไปปฏิบัติ ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าได้รับผลเช่นเดียวกับพระอาหารหันตสาวกถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็น2อ0 0ปีมาแล้วก็ตาม แต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ยังเป็นเหมือนเดิมยังมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเหมือนเดิมท่านเรียกว่าเป็นอากาลิโกคือไม่เสื่อมไปตามการตามเวลาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ย่อมมีการเสื่อมไปตามการตามเวลาร่างกายของพวกเราย่อมต้องร่องรยไป ตามการตามเวลาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองสิ่งของต่างๆก็ต้องร่วงโรยไปตามการตามเวลาแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันร่วงโรยไปตราบใดที่ยังมีการศึกษามีการปฏิบัติและมีการบรรลุธรรมอยู่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เลอที่ประเสริฐนี้ ก็จะอยู่คู่กับโลกนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมพราธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะจางหายไปจากโลกนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าพราธรรมคำอันเลิศประเสริฐนี้หายไปไหนเหมือนกับถูกคนก็เอาไปขุดฝังไว้ในดินเท่านั้นเอง รอให้คนที่ฉลาดมาขุดค้นพบใหม่เช่นคำสอนของพระเจ้าของพวกเราในปัจจุบันนี้ทรงมีคำพยากรณ์ว่าจะหมดไปหลังจาก 5,000 ปีที่ผ่านไปแล้วจะไม่มีคำสอนหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าได้สูญหายไปไหน หมายความว่าไม่มีใครสนใจที่จะมาศึกษามาเรียนรู้ที่จะนำเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้บรรลุผลที่ดีที่เลิศเพื่อที่จะได้เป็นผู้นำเอาผลนั้นเลิศอันเประเสสนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อีกต่อหนึ่งถ้าไม่มีผู้บรรลุทมก็จะไม่มีผู้ที่สอนทมได้อย่างถูกต้อง พอไมมีผู้สอนทำได้อย่างถูกต้องผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติก็จะไม่สามารถบรรลุถึงผลที่ถูกต้องได้นี่คือความหมายของพระศาสนาคำสอนของพระเจ้าไม่ได้เสื่อหมหายไปไหนเพียงแต่ถูกทอดทิ้งไม่มีใครเหลียวแลดูแลเหมือนกับเอาไปฝังดินเอาไว้แต่ถ้าคนฉลาด เช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราขณะที่ทรงบำเพ็ญช่วงนั้นก็ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ที่ได้ตัดสู้ในอดีตเพราะว่าได้ถูกการเวลากลบไปหมดไม่มีผู้ที่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติที่จะนำเอามาเผยแผ่ให้แก่ผูู้้ พระองค์พระพุทธเจ้าเลยต้องค้นคว้าขุดคุยหาด้วยพระองค์เองแล้วก็ส่งได้ค้นพบพระธรรมอันประเสริฐนี้พระธรรมที่จะนำพาสรรพโลกให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่ก็คือเรื่องของความเสื่อมและความไม่เสื่อมความไม่เสื่อมก็คือถ้ามีคำสอนอยู่ แล้วเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลไม่ว่าจะเป็นในอดีตในสมัยพระพุทธเจ้าหรือในสมัยปัจจุบันผลก็จะได้เหมือนกันถ้ามีมีการปฏิบัติที่เหมือนกันทำจึงไม่เสื่อมตามการตามเวลาในความหมายนี้ถ้ายังมีทำอยู่เหมือนกับถ้ายังมียาอยู่ถ้าเอายาไปกินยาก็จะรักษา โรคภัยไข้เจ็บให้หายไปได้ยาของพระพุทธเจ้านี้ดีกว่ายาของทางโรงพยาบาลเพราะยาทางโรงพยาบาลนี้มีวันหมดอายุถ้าไม่กินก่อนวันนั้นพอถึงวันหมดอายุแล้วประสิทธิภาพของยาก็จะเสื่อมไปไม่สามารถรักษาโรคภัยให้หายได้แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ถ้า ยังมีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดก็ยังสามารถที่จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้ยังสามารถดับความทุกข์ภายในใจต่างๆให้หมดไปได้พวกเราจึงหมั่นมาวัดกันทุกวันพระเพื่อมาสร้างที่พึ่งทางใจนี้ เ, เพื่อมาเอาคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่เราได้ยินจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วนําเอาไปปฏิบัติเอาตัวอย่างของการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเอาไปเป็นตัวอย่างพวกเราไม่ต้องค้นคว้าหาวิธีปฏิบัติไม่ต้องค้นคว้าหาคําสอนกันเพราะมีของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกอยู่แล้วพวกเราจึงถือว่า เป็นพวกที่โชคดีไม่ต้องลำบากยากเย็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ต้องทรงค้นคว้าหาความจริงด้วยพระองค์เองหาธรรมะด้วยพระองค์เองตอนนี้พวกเราเพียงแต่ปฏิบัติตามเท่านั้นตามคําสอนถ้าเราอยากจะได้การหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องเอาธรรมะโอสถคือธรรมของพระพุทธเจ้า เข้ามาสู่ใจวิธีที่จะนำธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจก็คือเราต้องศึกษาว่าธรรมของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องเอาเข้ามาสู่ใจพอเรารู้แล้วเราก็เอาเข้ามาสู่ใจด้วยการปฏิบัติที่พึ่งทางใจที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างขึ้นมานี้ก็คือบุญกุศลนี้ บุญที่มีอยู่10ข้อด้วยกันคือ 1. บุญที่เกิดจากการทำทาน 2. บุญที่เกิดจากการละเว้นการกระทำบาปคือการรักษาศีล3บุญที่เกิดจากการพัฒนาจิตใจเรียกว่าภาวนาภาวนานี้ก็มีสองระดับสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ส ม, มถภาวนาก็ทำใจให้สงบวิปวัสนาภาวนาก็ทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญานี่คือบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องถ้าเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะหลงหลงทาง เช่นเห็นว่าเงินทองเป็นที่พึ่งของใจไม่ได้เห็นว่าบุญกุศลเป็นที่พึ่งของใจถ้าเราเห็นว่าเงินทองเป็นที่พึ่งของใจเราก็จะมีแต่หาเงินหาทองมาแต่มีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจของเราได้ถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นว่า ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างหาหรือบุญกุศลที่ทรงสอนให้เราปฏิบัติในต่างหาที่จะดับความทุกข์ของใจได้ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพอเราเห็นมีความเห็นที่ถูกต้องเราก็แทนที่จะหาเงินหาทองเราก็มาหาธรรมะกันมาทำทานกันเอาเงินทองที่เรามี เหลือกินเหลือใช้มากเกินความต้องการเอามาทำทานกันเราก็จะได้มีที่พึ่งทางใจมีบุญมีกุศลการที่จะเกิดมีความเห็นที่ถูกต้องได้ก็ต้องอาศัยบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนี่คือบุญข้อที่หถ้าเราอยากจะมีความเห็นที่ถูกต้องเราก็ต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรม อย่างวันนี้เป็นวันพระวันธรรมัตสวานณะวันฟังธรรมอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเราควรจะฟังธรรมกันสักครั้งหนึ่งเพราะธรรมนี่เป็นเหมือนแสงสว่างใจของเรานี่เป็นเหมือนคนที่อยู่ในที่มืดมองไม่เห็นอะไรต่างๆแต่ถ้าเรามีแสงสว่างเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเหมือนกับที่เราเห็นในศาลานี้ถ้าเป็นตอนกลางคืนแล้วไม่มีไฟ เราก็จะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในศาลาแห่งนี้ฉั้นใดภายในใจของเราก็มีสิ่งที่ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์และมีสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นโทษกับเราแต่ถ้าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมาเราก็จะมองไม่เห็นและเราก็จะเห็นผิดเป็นชอบเห็นกับตาลปัดเช่นเห็นเงินทองว่า ดีกว่าบุญกุศลอันนี้ถ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะได้รู้ว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับบุญเท่ากับกุศลว่าไม่มีอะไรที่จะดับความทุกข์ใจของเราได้นอกจากบุญจากกุศลนี่พ อ, อเราฟังธรรมแล้วเราก็จะได้ความเห็นที่ถูกต้องนี่คือบุญห้าข้อใหญ่ๆบุญที่สําคัญ ที่เราควรที่จะสร้างขึ้นอยู่เรื่อยๆอย่างในวันพานี่ญาติโยมก็มาสร้างบุญที่เกิดจากการให้ทานด้วยการทำบุญตักบาตรถวายข้าวของเงินทองถวายสังฆทานเรียกว่าทานแล้วก็มาสมาทานศีลกันมารักษาห้าศีลห้าข้อกันวันนี้เราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปลดไม่เสพสลายาบมาทำแล้วก็จะทำให้ใจดับความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปได้ถ้าเราไม่ฆ่าเราก็จะไม่ทุกข์กับการที่เราไปฆ่าผู้อื่นถ้าเราไม่ลักทรัพย์เราก็ไม่ต้องทุกข์กับการไปลักทรัพย์ของผู้อื่นถ้าเราไม่ไปประพฤติผิดประเวณี เราก็จะไม่ไปทุกข์กับการไปไปพติปิดระเวนี้ถ้าเราไม่โกหกหลอกลวงเราก็จะไม่ทุกข์กับการโกหกหลอกลวงถ้าเราไม่ดื่มสุรายาวมาเราก็ไม่ทุกข์กับการดื่มสุรายาเมานี่คือวิธีดับความทุกข์ด้วยการไม่ทำบาปแล้วเราก็มาเจริญพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้น จากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่การเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆด้วยการทำใจให้สงบเรียกว่าสัมมาภาวนาใจจะสงบได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดตุ้มแต่งอย่าปล่อยให้ใจคิดด้วยเปื่อยคอยเตือนใจว่าหยุดคิดหยุดคิดอย่าคิดอย่าคิดถ้ามันจะคิดก็ใช้พุโทโธให้คิดไป กับพุทโธให้พุทโธพุทโธไปให้คิดอยู่กับคําว่าพุทโธไปแล้วมันจะไม่ไปคิดเรื่องต่างๆถ้าไปคิดเรื่องต่างๆใจมันก็จะวุ่นวายขึ้นมาจะวิตกกังวลเดือดร้อนห่วงใยสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้ามี ความคิดแล้วใจก็จะไม่สงบเมื่อไม่สงบก็จะไม่มีความสุขถ้ามีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดได้พอใจหยุดคิดก็จะพบกับความสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ <Yeah. S 1> พรจะพุทธเจ้าทรงตรัสว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง รสแห่งธรรมก็คือรสของความสงบนี่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเจริญสมถะภาวนาไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้พบกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงและเราก็จะได้ไม่อยากได้อะไรเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากมีหรือมีอยู่แล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่ให้ความสุข กับเราเหมือนกับความสุขที่เราได้รับจากความสงบเลยนอกจากไม่ได้รับความสุขเหมือนกับความสุขที่ได้รับจากความสงบแล้วยังมีความทุกข์ให้กับเราด้วยเพราะว่าเราได้อะไรมาเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานแต่เขาเป็นสิ่งที่ไม่ทิ้งแท้แน่นอนเขามีวันเปลี่ยนแปลงมีวันเสื่อมไปได้ มีวันพัดพลาดจากเราไปได้เวลาเขาจากเราไปเราก็ต้องเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้แต่ถ้าเรามีความสงบมีความสุขที่เกิดจากความสงบเราจะไม่ต้องมีอะไรก็ได้เพราะว่าเรามีความสุขแล้วได้มีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆ ความสุขที่เราได้รับจากบุคคลต่างๆจากสินต่างๆเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วก็จางหายไปต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆต้องมีอยู่เรื่อยๆเวลาใดไม่มีเวลานั้นก็กลายเป็นความทุกข์ไปแต่คนที่ได้ความสุขทางใจความสุขที่ได้ความสงบนี้จะมีความสุขไปอยู่เรื่อยๆ เพราะความสุขนี้อยู่ติดกับใจตราบใดที่เรารักษาใจให้อยู่ในความสงบได้ตราบนั้นเราก็จะมีความสุขทางใจอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะรักษาความสุขทางใจนี้ให้อยู่ไปนานๆอยู่ไปเรื่อยๆก็ต้องอาศัยการเจริญวิปัสสนาภาวนาการเจริญวิปัสสนาภาวนานี้จะทำให้เรา รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายในสิ่งต่างๆที่เรายังหลงคิดว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเพราะถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือบุคคลล้วนจะล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกเพราะอะไรทุกเพราะเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวร เขาอยู่กับเราได้ชั่วระยะหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเขากับเราก็ต้องจากกันไปเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เหมือนเดิมเขามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีขึ้นๆลงๆเวลาที่เขาดีเราก็สุขเวลาที่เขาไม่ดีเราก็ทุกข์ถ้าเราพิจารณาเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง และไม่สามารถอยู่ภายใต้ความต้องการของเราได้ต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปเราจะต้องมีวันเสือ่อมมีวันหมดมีวันเปลี่ยนไปเวลาที่เสือ่อมเวลาหมดเวลาเปลี่ยนไปก็เป็นเวลาที่ความทุกข์เข้ามาลุมเล้าจิตใจของเราถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราก็จะ รู้ว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับความสุขที่มีอยู่ภายในใจเพราะมีความสุขภายในใจเท่านั้นที่จะไม่มีวันเปลี่ยนไม่มีว AH ันหมดเพราะเราจะสามารถรักษาไว้ได้ด้วยการไม่ไปหาความสุขทางอื security, ่นนั่นเองถ้าเราไปหาความสุขท well. <ๆ>างอื่นเราก็จะมาทำลายความสุขภายในใจไปถ้าเราไม่ไปหาความสุขทางอื่นความสุขภายในใจก็จะอยู่กับเราไปตลอด นี่คือการรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าวิปัสนารู้ว่าสัพเพสังขารานิจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรมานัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาอย่าไปหามาอย่าไปได้มาอย่าไปอยากได้เพราะมันจะมาทำลายความสงบของใจถ้าไม่มีความอยากได้อะไรแล้ว ใจก็จะสงบไปตลอดจะมีความสุขไปตลอดนี่เรียกว่าการภาวนาเพื่อดับความทุกข์ทั้งหมดความทุกข์ทั้งหมดจะดับได้ก็ต้องดับด้วยสมถทัฏภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจะดับได้จะปฏิบัติได้ก็ต้องมีการฟังเทศฟังธรรมมีความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นว่าวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องนั้น ต้องมีทั้งสมาธิและทั้งปัญญาไม่ใช่มีแต่ปัญญาเพียงอย่างเดียวเพราะปัญญานี้จะต้องมีสมาธิเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่มีพี่เลี้ยงปัญญาจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้ถ้ามีสมาธิเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้เพราะสมาธิไม่สามารถที่จะทำลาย ต้นเหตุของความทุกข์คือกิเลสได้ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็ต้องมีสมาธิเป็นพี่เลี้ยงจึงจะสามารถทำได้เหมือนกับเวลาหมอผ่าตัดนี้หมอผ่าตัดคนเดียวก็ผ่าไม่ได้หมอต้องมีผู้ช่วยคอยช่วยเหลือหลายคนมีพยาบาลมีวิสั ญ, ญีมีหมอคอยนมยาสลบ มีพยาบาลคอยหยิบเครื่องไม้เครื่องมือให้หมอถึงแม้ว่าจะเก่งจะฉลาดเพียงไรถ้าทำงานเพียงคนเดียวก็จะไม่สามารถทำงานได้สําเร็จฉันใดปัญญาจะเป็นผู้ที่ฆ่ากิเลสได้ก็ตามถ้าไม่มีผู้ช่วยคือสมาธิปัญญาก็จะไม่สามารถฆ่ากิเลสได้ดังนั้นเราอย่าไปเชื่อคนที่ก็บอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิกัน ให้ปัญญาใช้ปัญญาดูจิตไปเลยอันนี้ดูไปจนวันตายก็จะไม่สามารถฆ่ากิเลสที่มีอยู่ภายในจิตของเราได้แต่ถ้ามีสมาธิคอยคอยคอยหยุดกิเลสคอยห้ามกิเลสพอหยุดกิเลสปั๊บปัญญาก็เข้ามาฆ่ามันได้เลยเหมือนกับหมอต้องมีหมอวิสัญญีคอยควบคุมคนไข้ไม่ให้ ไม่ให้ดิ้นถ้ายาสลบหมดฤทธิ์เมื่อไหร่คนไข้ก็จะดิ้นทันทีหมอก็ทําคอยให้ยาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้คนไข้สลบสลด์ถ้าคนไข้รู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกเจ็บปวดก็จะดิ้นทันทีพอดิ้นแล้วหมอก็จะไม่สามารถทําการผ่าตัดได้ฉันใดใจก็เหมือนกันกิเลส ท, ที่อยู่ในใจที่เราต้องการฆ่า ถ้าใจของเราไม่มีสมาธิคอยหยุดมันมันก็จะดิน้นคอยจะนีวิ่งหนีอยู่เรื่อยๆถ้าวิ่งหนีปัญญาก็จะไม่สามารถฆ่ามันได้ดังนั้นขอให้เราฟังเทศน์ฟธรรมศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าให้มากๆเพื่อเราจะได้ไม่มีความเห็นผิดเป็นชอบมีมิจฉาทิฏฐิอย่างที่มีกันอยู่ทุกวันนี้ มีการปฏิบัติแบบไม่ต้องใช้สมาธิกันมีการปฏิบัติแบบไม่ต้องอบวชกันไม่ต้องรักษาศีลแปดกันการที่จะปฏิบัตินี้ต้องมีทั้งศีลต้องมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาถึงจะสามารถทำลายความทุกข์ต่างๆทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจได้ นี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเป็นประโยชน์เป็นบุญเพราะจะทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิก็มีประโยชน์เพราะจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องพอปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็จะดับความทุกข์ต่างๆไปภายในใจได้หมดพอระดับได้แนละ้วทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาทำมาสอนผู้อื่นได้ การเอาทำมาสอนผู้อื่นก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเวลาสอนผู้อื่นให้มีดับความทุกข์ได้เราก็จะมีความสุขแล้วถ้าเรามีบุญเราอยากจะแบ่งบุญให้แก่ผู้อื่นเราก็ทำได้เช่นเวลาเราทำบุญวันนี้เราคิดถึงคนที่ร่วงลับไปแล้วเราอยากจะให้เขาได้มีความสุขเราก็อุทิศบุญคือความสุขใจของเราไปให้เขานี่ก็เป็นการ ดับความทุกข์ใจแบบหนึ่งเวลาที่เราห่วงใยคนที่ร่วงลับไปแล้วกลัวว่าเขาจะลำบากลาบนเราก็ทำบุญอุทิศไปให้กับเขานี่ก็ทำให้เรามีความสุขใจขึ้นมานอกจากนี้ท่านยังสอนให้เราทำบุญด้วยการรับใช้ผู้การรับใช้ผู้การช่วยเหลือผูอ้จะทำให้เรามีความสุขใจ เพราะเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นเวลาเราเห็นผู้อื่นมีความสุขจากการกระทําของเราเราก็จะมีความสุขใจตามมาแล้วก็ส่งสอนให้เราสร้างบุญด้วยการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนทำตัวเราให้เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วทำตัวเหมือนปาตพีเป็นเหมือนพื้นดินไม่อวดเก่งอวดเบ่อเงอวดใหญ่อวดโต เพราะการ อ, อวดแบ่งอวดใหญ่อวดตัวนี้จะทำให้ใจทุกมเพราะว่าจะต้องคอยแสดงให้คนอื่นก็เห็นว่าเราเก่งเราวิเศษแล้วถ้าคนอื่นก็ไม่เชื่อก็ไม่เห็นเราวิเศษตามที่เราคิดเราก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าเราทาตัวให้เราเป็นผู้ต่าต้อยนี้จะไม่ต้องเหนื่อยยากไม่มีอะไรเราจะต้องไป พิสูจ์ไปให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเก่งเรายอมรับว่าเราไม่เก่งเราเป็นคนต่าต้อยไม่มีอะไรวิเศษวิโสในตัวเราใครจะดา่าใครจะดูถูกเราเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราคิดว่าเราเก่งเราใหญ่ถ้าใครเข้ามาดูถูกมาเหยียดย้ําเราเราก็จะเดือดร้อนเราก็จะมีความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ใจจากการที่ถูกผู้อื่นเขาดูถูกเหยียดหยามเราก็ต้องหัดทําตัวเราให้เป็นผู้ต่าต้อยอ่อนน้อมถ่อมตนคิดว่าเราเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วเป็นเหมือนปฐพีเป็นเหมือนพื้นดินใครอยากจะเหยียบจะย่ำอย่างไรก็พื้นดินก็ไม่เดือดร้อนฉันใดถ้าใจเราเป็นเหมือนปฐพีได้เราจะไม่เดือดร้อนกับการ ว่ากล่าวตำหนิติเตียนขรหานินธาดูถูกเหยียดหยามเราก็จะมีแต่ความสุขเนี่ยนี่แหละคือวิธีสร้างความสุขสร้างที่พึ่งทางใจดับความทุกข์ดับด้วยการกระทำตามที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทำสิบประการคือทำทานรักษาศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรม สร้างความเห็นให้มีความเห็นที่ถูกต้องอุทิศบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วอนุโมทนาบุญเวลามีเพื่อนมีพี่มีน้องทาบุญสแสดงความยินดีชื่นชมไปกับการทาบุญของเขานแล้วก็อ่อนทำตัวให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็รับใช้ผู้อื่นแล้วก็มีธรรมะ ก็แบ่งปันให้แก่ผู้สอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นการกระทาทั้งสิบประการนี้จะทำให้เราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้หมดเลยและเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกขาให้เราเชื่อพระพุทพธธรรมพระสงฆ์แล้วพยายามปฏิบัติธรรมไป ทำให้มากขึ้นไปตามลำดับตอนนี้เรามาวัดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งต่อไปเรามาอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งหรือถ้าเราไม่มาเราก็ทำบุญที่บ้านฟังเทศที่บ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้ขอให้เราทำอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจของเราก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆความสุขก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะถึงขั้นสูงสุด คือข่านปรามังสุขขังนั่นเองยังขอฝากเรื่องของการมาสร้างที่พึ่งทางใจมาสร้างด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้ท่านได้นํำมาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหยุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนใจ